อุล่า ش ك ل و ش د ن م ح م د ا عبده ورسوله الله ب, ب ك ص ب ح ن وب ا وبك م س ي ن, وب ن ا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أعوذ بكلمات الله ا ل من شر الل م خلق بسم الله الذي لا يضر م اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو سميع الس عليم ر ดีตุ ا ิละِาห์รับบั م วบิอิสลามดีนั س ว ل ิ ا د د ل ฮัมมัดรัสِูะอัَลอฮุม ر อีน م อาอ ا ل ุบิค ن มิณัล ب ัสล ا ل ะสุอิลคิบริรับบั้วอาอูดุบิค ع มิณัฎบิมฟินนาริวะอาดับิมฟิลควบริอั ب ลอฮุมะฟินีฟิบ ع ันีวะฟ ي ف ีฟิซา سبحان الله ฮฺ حم ด ه ฮฺอาดัด วรรดานัฟซีฮ ز ว ن ซินาต์อาร์ฟีฮิวบิ ا حي ย ا ق ي و م ב ر ר ห์มั أ س ت غ ي ث أ ص ل ح ل ي ش أ ن ي ك ل ه و ل ا ت ك ل ن ي إ ل ى ن ف س ط ر ف ة ع ي ن ح ص ب ج ل ا ل ه و ن ع م ا ل و ك ي ل س ل ا م ع ل ي ك م و ر ح م ة ا ل ل ه و ب ر ك ا ت ه ا ل ح م د ل ل ه พี่น้องที่ร่วมนมาบที่มัสยิดอันวาิสุนนะ คลองเคร็ดนะครับค่อนหนึ่งแลต้องขอบคุณอลอและกล่าวสรรเสริญต่ออลอชมอลอเยอะๆดูอาหลังจากตื่นนอนอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาฮิอัลัยนะบาดามาอามาตานาวะลิลัยฮินุชูนี่เป็นดวอาทิตย์ที่ตัลงดีสอนเมื่อลืบตาบนที่นอนอย่าเพิ่งลุกขึ้นนะ อย่าพุ่ลุกขึ้นให้ค่อยๆุยูขึ้น <c oughs> คนอายุเยอะๆเนี่ยหกสิบเจ็ดสิบนี่ยต้องระวังอย่าทำอะไรเร็วๆค่อยๆทำุูขึ้นนั่งเสร็จแล้วก็อ่านดูอ่านแล้วก็เอามือเนี่ยลูบหน้าแบบนี้นี่ตามนาบีทั้งหมดแล้วก็จะเข้าห้องน้ำต้องนึกเพราะคนที่ล้มในห้องน้ำเนี่ยมีไหมมีครับ หัวหน้ากตดยานีในปากีสถานตายในห้องน้ำเขาล่อให้เกิดขึ้นแบบนั้นก็น่าคิดนะนะทีนี้วิธีไม่ให้ล้มในห้องน้ำนนานี่นบีสอนต้องเข้าด้วยเท้าทายก่อนเข้าให้อ่านดูว่าอัลลอฮุมะอินนีอาอูงุบิกะมินัลฮุบูซีวัลขับะอีสค่อยๆเข้า อนึกอยู่ในห้องน้ำห้ามขอดูาอาความเป็นที่ของข้อใจต่อห้ามมิลลิล่ะขอจะห้องน้ำมีดูอาอีกว่าไงนะกุฟรนนะอตหนึ่งอัลฮัมดุลิลลาฮิลลตอัฮบอนลอวะอฟานีอเลออหนึ่งในสองลุกขึ้นมาต่ฮัตยุดกลางคืนอ่ะ อย่านอนตลอดทั้งคืนเอาการจะอธิบายอายะที่หกของซูรอซอดเนี่ยนะก็ขอเล่านิดหนึ่งว่าบุคคลตัวอย่างที่เป็นลูกศิษย์นบะีใครบรรดาสุฮับะลูกศิษย์นบีนะเป็นสุฮาบะทั้งหมดแล้วบุคคลเหล่านี้เดินตนามนบีหมดเลยไม่ได้ผ่านอิหมามชาฟีอีฮานาฟีมัลิกีเข้าใจมหม พ่ออิมามเีมาที่หลังมาที่หลังรอยสองร้อยปีทับนบรรดาสวะบ้านนบีเนี่ยเขาเดินตามนบีเลยนบีทำอะไรก็ทำตามนบีในหนังสือหลายๆเล่มเนี่ยเขายกย่องสวะบ้านนบีว่าอย่างนี้นบีเนี่ยนะเป็นบุคคลตัวอยา่างแล้วก็คนที่เดินตามนบีเนี่ย เช่น <c oughs> อะไรบ้างบรรดาสวานอาีเนี่ยเขาทำเาเรียกว่าอามันเนี่ยนะอามันนะอามันด้านร่างกายกับอามันด้านหัวใจสองอามันนี่นะเขาจะให้ความสำคัญกับด้านไหนมากกว่ากันอามันมีสองอย่างใช่ไหมอามันด้านร่างกายอย่างนมาเดินมามสัสยิด พักเงินจากกระเป๋านี่อา ม, มันด้านร่างกายหมดเลยเอาให้กับคนยากคนจนยิ้มให้กับคนเนี่ยอา ม, มันด้านร่างกายหมดเลยแล้วก็ช่วยยกของหนักๆกับคนแก่ๆหรือให้สลามเมื่อไก็ตามแต่อา ม, มันด้านด้านร่างกายเนี่ยกับอา ม, มันด้านหัวใจบรรดาซอบาลบดหลเบีให้ความสำคัญกับงานไหนมากกว่ากันสองงานนี้งานอา ม, มันด้านด้านยัน ด้านร่างกายกับงานด้านหัวใจเนี่ยเช็คจากฮะดิษหลายๆเล่มอธิบายบอ ว, ว่าบรรดาอัลลอฮฺนบีให้ความสำคัญกับด้านอามันด้านหัวใจมากกว่าอามันด้านบานัณฑบดณฑีอขอยกตัวอย่างอามันด้านหัวใจมีอะไรบ้างอามันด้านหัวใจหนึ่งอิคลาสความบริสุทธิ์ใจ นี่อั ม, มันด้านด้านนะด้านด้านด้านหัวใจแล้วก็สออัลข้าวกลัวอัลลอฮ์ข้อที่สามตักวาระวังตัวเองไม่ทำบาปแล้วก็อัตตะวักุลมอบหมายตนต่ออัลลอฮ์แล้วก็อัลคุชุ์นอบนอ้อมท่อมตน มาจากใจหมดเลยอาลาฟูแปลการให้อภัยแล้วก็สงสารเมตตาคนเนี่ยเป็นงานด้านหัวใจหมดเลยฉะนั้นบรรดาสวบันงาบีที่เอาลอดชมที่เอาลอดพอใจใช่ไหมว่าบุคคลเหล่านี้นะอย่างน้อยสิบคนไไปสวรรค์หมดนะโดยไม่ต้องสอบอ เขาให้ความสําคัญด้านหัวใจมากกว่าด้านอมันอามันก็ทํามากกว่าเราอยู่แล้วยังลุกขึ้นนมาทัดยศเนี่ยอามันด้านร่างกายใช่ไหมเหนื่อยได้ไหมเหนื่อยเหนื่อยครับเขาทําแต่อ ง, งานที่ใหญ่กว่านั้นก็คือด้านหัวใจสงสารคนเมตตาคนนอบ น, น้อมถ่อมตนให้อาภายัยไม่เย่อหยิงไม่ตะกบบุญไม่จองห้องที่ผมนานมาเรื่องนี้มาต้องการจะให้กําลังผู้ใจพวกเราว่า เราฟังตับซีกันมาเนี่ยก่อนนานแล้วนะมันก็มัน ก, ก็ต้องเปลี่ยนนิสัยแล้วนะ ười, นค่อยๆพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นนาอย่างนี้เป็นต้นเอาวันนี้มาอายาที่หกวังตกลมาลื่อมหุมอินิชูวัสบรูอาลอาลฮะทิคุม إ ินَ่า this ละชัยอุยุราَวัَทَลกลมาเลอบินหุมอินُมชูวัศบรูอาลัยฮะติคَมอินน่า this ละชัยอุยِุาดอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺ l ัล อาจาย์เนี่ยให้กำลังใจให้กำลังใจพวกผู้ศรัทธาต่อรอดนะแล้กกัตำหนิคนที่ยืนหยัดในของผิดผิด น, น, นะอ่าดูสับคือเป็นอย่างนี้ตอนที่ท่านอาบูตอริฟเนี่ยลุงนบีป่วยนะอาทิตย์ที่แล้วนะป่วยพอป่วยเสร็จแล้วก็อบูแล้วครับอบูจะฮันผุ้หลักผู้ใหญ่ใน ในหมู่บ้านนะที่ anti-Islam นะ anti-Quran anti-Mohammad anti-Islam anti- ลุงอ an, ัลลอฮ์ lam, um Allah, จัดหมดนั่นแหละนบีก็มาพอรู้ว่าลุงป่วยแต่นี้พวกอับดุลละคระบับอบดุลจะหันก็มองว่ายังมีที่อยู่ที่หนี่งไม่ใกล้ลุงจะกลัวน บ, บีจะมานั่งริมลุงถูกตัวลุงใจจะอ่อน <c oughs> ก็มานั่งกัน้นให้นบีนั่งห่างๆหน่อย เสรแล้วมันนบีก็บอกว่าลุงกล่าวคำนี้สิแ ล, ล้วลุงจะได้ไปสวรรค์ไม่ตกนรกเพราะว่าอย่างนั้นลุงก็มองหน้า ย, ายา่าญาติพี่พี่นะน้องน้องว่าไงกลัวห ล, ล้านมาครูนิดเดียวจะเลิกกาบเจเวตเราเหรอจิตเราองคเดียวได้ยังไงก ล, ลัวรลุงก็เกรงใจ แล้วก็ตายในสภาพที่ไม่ได้กล่าวเลืออิเลฮะอิลลอะก่อนตายนาบีก็เล่าต่อมาว่าลราถูกถู ก, ถ, กถูกลงโทษนะแต่วันเบาหน่อยเบาก็คือจะเรียกว่าจะหันนำนรกที่วจะหันนำนะเบาสุดนะเบาขนาดไหนนบีอธิบายเองฐานสองก้อนเอาเท้ายืนบนฐานฐานสองสองก้อนเนี่ยเดือที่ไหน สมองนี่เป็นการลงโทษที่เบาที่สุดที่แอนติอิสลามดานบีมุฮัมมัดดาอัลกุรอานเรื่องใหญ่ยายมากครับอาทีนี้พอนาบีพูดว่ากล่าวคำนี้สิแล้วฉันจะไปคุยกับอัลลอฮ์นะพวกนี้ลุกขึ้นเลยลุกขึ้นแบบสบายเอาอะไรมาสอนไอตอนลุกขึ้นเนี่ยเราเล่า วางตลกอลมาลาอูมินหุม อ, อินตลกคไปว่าจากไปเดินออกไปจากไประหว่างที่นั่งอยู่กับอบูตอลิฟซึ่งเป็นญาติสนิจกำลังไม่สบายพอท่านนาบี ม, มาพูดว่าให้กล่าวคำนี้สิแลอิลาฮะอิลลอฺละละละละชุนเลยลมขึ้นอใช้ภาษาพวกเรานะันนั้นลมขึ้นหูแดงเลยลุกขึ้น วังตอนแล้วก็แปลว่าเดินออกอหรือว่าจากไปใครอัลมาลาอูเนี่ยเอาล็อชมนะเรียกนะไม่ได้เอ่ยชื่อนะเรียกว่าอัลมาลาพวกหัวหน้าหัวหน้าอย่างอัลมาลาหมายถึงหัวหน้าหัวหน้าเผ่านะ่ที่แอนตี้อิสลามเนี่ยเห็นไหมมันต้องไปเปิดตัปสีดูว่ามีชื่ออะไรบ้างมีอบูละับอาบูจาร์อะไรเต็มหมดเลย วันตอนละกลมาแล้วบันดาหัวหน้าอ่าหัวหน้าของพวกเขามินหุ้มของพวกเขานะไม่ใช่ทั้งหมดนะบางบางคนบางกลุ่มนะสองสามคนเองที่มานั่งมาเยี่ยมรุมอยู่เนี่ยพอหลานมาดีมัมันมาพูดเรือ่องอรรเนี่ยลุกขึ้นกันหมดเลยลุกขึ้นออกจากใครนะจากอบตพอออกไปเสร็จแล้ว อันิมสูวสบิรพางกล่าวว่าอิสูไปกันเถอะอย่ามาอยู่ตรงนี้เลยมาอยู่กับมุ ม, มัดทำไมมุมัดมันเอาอะไรมาสอนกันไม่รู้มาสอนนี่มีพระเจ้าองค์เดียวมันเป็นไปได้ยังไงพระเจ้าหลายองค์มันดีกว่าองค์เดียวนะเขาเอาปัญญาของเขามาคิดเองอ่ะ มีงานมีคนช่วยงานหลายคนกับทำงานคนเดียวเนี่ยอันไหนจะดีกว่ากาันปัญญามนุษย์ใช่ไหมสร้างบ้านคนเดียวกับมีช่างมีลุง ล, ลูงน้องอีกเจ็ดแปดคนอันไหนดีกว่ากาันก็ดีกว่าอยู่แล้วยังมันสใส่ในสายตามนุษย์ในปัญญามนุษย์เนี่ย ล, ล้ะลอรับไหวเหรอให้เป็นให้ตายให้รวยให้จ น, นละ อ, องเดียวรับไม่ไหวมันต้องแบ่งกัน อันนี้องค์ให้รวย น, นี่องค์ให้ตาอันนี้ให้ฝนอันนี้ให้น้ำํำอันนี้นุ่นให้เนี้อหลายๆองค์รวมกันอัลลอฮ์องคมเดียวรับมือไหวเหรอเขาเข้าใจแบบนั้นในวันนั้นเนี่อัลลอฮ์ให้นบะีฟังเลยนะญาติเองคิดแบบนี้แหละถามว่าคิดแบบนี้นะถูกถูหรือผิดผิดครับเพราะอัลลอฮ์เนี่ยยิ่งใหญ่ที่สุดสร้างโลกมาเนี่ยสร้างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์กลางวันกลางคืนสร้างสรสรพสิ่งทั้งหมดเนี่ย อัลลอฮ์เพียงตะวะ่ากุนไฟกูนมันก็ขึ้นแล้วอ่ะยังไม่เข้าใจอีกเลยเนี่ยแล้วก่อนหน้านาบีมูฮัมหมัดมีนบีมากี่คนละ่ะเข้าใจมละ่ะก็อัลลอฮ์ก็สอนเหมือนกันนบีที่มาในโลกนี้สอนเหมือนกันว่าอัลลอฮ์มีองค์เดียวอัลลอฮ์ไม่มีอัลลอฮ์เป็นที่พึ่งอัลลอฮ์ไม่มีลูกอัลลอฮ์ไม่มีพ่อแม่ทุกสิ่งทุกอย่างไม่เหมือนอัลลอฮ์นี่พูดเรื่องตเต่าหีดอย่างเดียวเลยนะเรื่องเตาาหีดนี่เรื่องใหญ่ที่สุดนะฉะนั้นวันนี้เราก็ต้องเน้นเรื่องเต่าหีดนี่แหละ ดังอัลลอฮ์มีองค์เดียวอัลลอ์มีองค์เดียวยืนยันในอัลลอฮ์ที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยว่าไงนะสฮะ บ, บา น, นาบนะานีน่ด้านอามันด้านร่างกายเขาก็ทำแต่ด้านหัวใจเนี่ยเขาเข้มกว่าสงสารคนเมตตาอย่งางนบีชมท่านอบูบักใช่ไหมเมื่ที้แล้วมันจ่อะอรฮะมฮุ ม, ฮมอุมมติบิอุมมติอบูบักท่านอบูบักเนี่ย เป็นบุคคลที่มีหัวใจสงสารเมตตาคนเห็นไหมอย่างพวกเรานามาก็นมาด่าคนก็มียนี่แต่นิ ด, น, ดนิดนะกพือให้รู้ว่ากูนมาดีหรือเปล่วาว่าด่าเมียก็มีเอาเงินไม่เอาเงินในภรยาาติมันก็ผิดทั้งหมดนะ่ะฉะนั้นสาบานะบีนะ่ะเขาดูแลภรรยาเนปะ็นยังไงนะ่ะเขาไม่เคยตบหน้าภรรยาไม่เคยด่าภรรยาไม่เคยด่าลูกอนะ่ะ พอาพอเรียนอิสลามแล้วมันก็มันก็เปลี่ยนก็ค่อยเปลี่ยนด้านหัวใจเนี่ยสำคัญที่สุดนะเข้าใจนะ <laughs> วันมาลวังตละกรมาลอูมินหุมแล้วพวกหัวหน้าของพวกเขาจากไปพามกล่าวว่าอานิมชูไปกันเถอะอย่าอยู่เลยกันั่งกับนั่งกับมุฮัมมัดอยู่นสอนอะไรต่อะไรผิดๆทั้งนั้นะ แล้วก็วัสบิรูภาษานี้หนักเนะี่ยจงอดทนจงยึดมั่นพอออกไปแล้วก็ไปคุยไปคุยตามบ้านเราีนนะยืนหยัดนับหนือพระเจ้ารอยองค์เพราะที่ถิ่มมา ก, การมีเท่าไหร่นะจเจวนะิตน่ะสองสามร้อยยี่สิบเรายืนหยัดกับจเจวิตนี่แหละวัสบิรูจงยืนหยัดจงอดทน อาลาอาลีฮะติกุมอาลาแปลว่าบนนะครับอาลีฮะพระเจ้าย่อยๆของพวกท่านเถิดของพวกท่านเถิดอิลาฮุนแปลวองเดียวถ้าอาลีฮะแปลว่าพระเจ้าหลายองค์พอพวกหัวหน้าลุกขึ้นออกมาจากการออกมาจากอบูตอริบลำบีนั่งอยู่เนี่ยสบัตกล่นออกมาเนี่ยและมาพูดว่า ไปกันเถอะอย่าไปอยู่ตรงนี้เลยแต่ไปเปล่าประกาศบอกว่าเรายืนหยัดกับพระเจ้าหลองค์เราไม่ยืนหยัดกับพระเจ้าองค์เดียวแล้วคนระดับหัวหน้าพูดเนี่ยหลูกน้องเชื่อเปล่ารออักบานนี่เห็นยังว่านบีถูกถูกนั่นถูกแอนตี้ขนาดไหนอ่ะนี่เล่าให้ใจบิณฑบาตรี่กุณอ่านเล่าเลยนะเล่าให้นบีละหมาดฟังแล้วเล่าให้พวกเราฟังวันนี้ว่ารออักบานนบีทํางานเหนื่อยไม่เหนื่อยมากครับ ต้อ ง, ตงนึกนะสงสารนาบีนะลออกวเนะี่ยฉันเราต้องนึกถึงว่าของที่นบีไม่ทำอย่าทำเลยมันเหนื่อยฟรีเอาเหนื่อยฟรีอาญะไหนอะอะมิลาตุนซีบาต้สุาสลานารอนฮามิยะทำงานเหนื่อยคือทำงานเหนื่อยไม่เหมือนนบีอะแล้วก็ต้สุลานาโยนใสนารุนไฟ นี่คุณอานอธิบายบางใครก็ตามที่อยู่บนโลกแบบนี้ฉันส่งตัวแทนฉันมาคนเดียวคือนบีมุฮัมมัดมาเป็นแบบอย่างในการเดินในการนั่งในการกินในการนมัสกาการขออุอามในการกอดอกในการสวดุญัตสอนทางไม่หมดเลยพระนาบีแต่พวกเราทำไมทำไมไม่มองเป็นเรื่องเล็กๆอ่าฉันเคยเรียนมาแบบนี้ฉันต้องยืนหยัดแบบนี้ก็ลองไปเช็คขัดดิเขาบ้างดูดดดไม่ได้เลย ว, ว่าอิาบาฮิมุฮะรีบันทึกขัดีิาดาดมาใช่ไหม อ่ะขอยกตัวอย่างสบ้านนบีมีอยู่คนหนึ่งอ่ะมันจะคนมีอายุสิบคนที่ได้ไปสวรรค์โดยไม่ต้องไม่ต้องอะไรไม่ต้องสอบเขาเรียกว่าท็อปท็อปเทนอาชอมุบาชีรีนบินจันน์อบูบาการอุมัดอุสมานอาลีนี่ใช่อามีอีค น, นึงอีหกคนท่านสาหิตบินเจตสาหิตบินเจตจะอยู่ในกลุ่มสิบคนนี้แหละ สังิตบิณเสตเนี่ยถูกผู้หญิงคนหนึ่งกล่าวหาว่าโกงที่ดินผู้หญิงคนนี้ชื่ออารวาชื่ออารวาอะลิฟ ร, รอวาวาอารวาโกงที่ดินก็ไปไปฟ้องศาลเสร็จแล้วก็ศาลก็เรียกมาท่านสังิตบิณเสตบอกว่าฉันจะโกงที่ดินหรือนี่เมื่อฉันอ่านฮะ ด, ดิษนบีนบีสอนฉัน วั น, นบีพูดไปอย่างนี้ใครที่โกงที่ดินหนึ่งอะไรนะหนึ่งคืบอัอลลอฮ์จะเอาที่ดินหนึ่งคืบเนี่ยเจ็ดชั้นแผ่นดินนะขนาดไหนอ่ะคืบเดียวนะ่ะลึกหนึ่งไปนะ่ะเจ็ดพันแผ่นดินเอามาแขวนคอของเขาในวันเตรียมนะคนเห็นหมดเลยอนะ่ะเดินทุง่งท่งท่งอลอดินสูงอนะ่ะแบกเบาด้วยอนะไรหรอก ในเมื่อฉันอ่านฮะดิษพนบนบีสอนฉันฉันได้ยินน บ, บีสอนแบบนี้ฉันจะกล้าทำเรอก็พูดภาษาเขาอ้าวฉันก็ปล่อยไปแ้วผู้หญิงคนนี้ไม่เลิกไปพูดพูดแล้วพูดอีกพูดแล้วเราสาคัดยุะสมัยนี้ก็โทรสา์ไปแจ้งคนนั้นคนนั่นกรุเชียงใหม่ปัตตานียาลาแจ้งหมดเลยสายบิน เ, เร็วใช่ไหมาละ่ะ แต่สมัยนั้นนะ่ะคือไปได้ไปแค่ปากใช่ไหมไม่มีโทรศัพท์ไม่มีทีวีใช่ไหมก็ด่าน้อยหน่อยแต่ด่าน้อยเรื่มมามันก็หนักเหมือนกันใช่ไหมเสร็จแล้วท่านสายเบินเซตเนี่ยไม่ได้ยินเขาเอ๊ยนี่มันไม่เลิกนี่เลยนี่มันจะดามากขึ้นกามากขึ้นก็ขอดูอาอัลลอฮ์รับดูอาเลยนะขออย่างนี้โอ้อัลลอฮ์ขอให้ตายผู้ยิงคนนี้ตาบหมด และต่อขอราวว่าให้เขาตายในที่ดินของนางและเป็นจริงครับต่อมากอีกไม่กี่ปีผู้หญิงคนนี้ตาบอดแล้วก็เดินไม่มีใครจูงไม่มีใครช่วยไงเดินเดินก็พลาดตกไปในบอ่อน้ำาทีกก็ขุดเอาไวนะ้ไปตายอยู่ในบอ่อน้ำนี่บันทึกโดยอิมาบุคอารีนี่หัดดีษแบบนี้น่าอ่าดีน้องครับเพราะฉะนั้น อย่าว่าคนอย่าด่าคนต้องการจะอธิบายว่านาด่าคนอย่าว่าคนแล้วก็คนดีๆแบบชา บ, บ้านนบีที่ก็อยู่กับศาสนาอิสลามมาตลอดเนี่ยไปตำหนิเขาว่าโกงที่ดินเนี่ยมันหนักขนาดไหนล่ะอันนแตะแค่นี้พอออาต่อมาครับอานิมชูวัสบบรูจงไปกันเถอะอวัสบิรูแล้วก็จงยึดมั่นจงอดทนอลลีฮาตีกุม ต่อพระเจ้าต่างๆของพวกท่านเธอแสดงว่าออกไปออกมาไหมออกไปจากเยี่ยมอบูตอรีแล้วไม่พอออกไปโฆษณาอกีกเรายืนหยัดในจเจว์นะแทนที่ระวังปากระวังคำเนี่ยเาเล้าเล่าเลยนะแล้วการพูดภาษาเนี่ยเา้เอาโทษไหมเอาโทษครับอินนาอินนากาลาชัยอุยรอูรดแท้จริงอินอนาารร่าแปลว่าแท้จริงหาดา ที่น บ, บีนำอามาเนี่นะลาชัยอุยอยู่รอดน บ, บีเนี่ยนำเอาเรื่องเล่ในคือได้วางแผนไว้แล้วว่าต้องการอะไรสักอย่างหนึ่งคิดว่าน บ, บีเนี่ยคิดเองทำเองที่มายึดบอกว่าให้เรายึดพระเจ้าองค์เดียวแล้วก็อย่าให้ทิ้งพระเจ้าอีกร้อยองค์พันองค์นั้นนะ่ะมืหมัดมีแผนลับอะไรหรือเปล่า พวกนี้ปฏิเสธอัล ล, อ, ลอ์หมดเลยไงอ่าปฏิเสธวฮีด้ว ย, ย่างทั้งที่อัลลอฮ์เล่าผ่นานนบี ว, ว่าวฮีนี่นะก่อนจะมาเนะี่ยฉันเคลียร์ท้องฟ้า ย, ยัางไงเมันเรื่องใหญ่หมดเลยนะแต่พวกนี้ไม่ใส่ใจนี่ก็เรียกว่าอยู่แบบไรนะอยู่แบบเฉยเมยวิ่งหางเงินหางเงินหางเงินหางเงิ น, ง ห, นาหางเงินแล้วเพลินไหมอัลกุรอานใยาไนหหาเงินแล้วเพลินอัลฮกูมุตตะกซแปลว่าอะไรการ แข่งกันหาเงินว่าใครจะมากกว่ากันนั้นอัลหาทำให้เพลินเราไปสานึกตัวตอนไหนฮัตตาจุรตมุลมากอบดพาไปเยี่ยมกูโบภาษาอัลลอฮ์ภาษาดีนะเมื่อท่านตั้งหลายไปเยี่ยมกูโบมึงตายแล้วแบกไปกูโบพอไปฝังพระพึงจะรู้ว่าอายาที่ฉันไม่นามาเนา่าขาดทุนยังไงที่ฉันดาอลัลลอฮ์เน่าขาดทุนยังไง ที่ฉันไม่เอาสุนนาบีมาปฏิบัติในประจำวันในฉันขาดทุนยังไงไปเจอในกูโบหมดเลยอ่ะฉันเรื่องใหญ่ครับอายาเดือนโอโลอธิบายได้สอสามชั่วโมงอตัลงว่าพวกคนที่พูดนี่นะคนที่ว่าไปไปยึดมั่นพระเจ้าเราก็มีอบูยฮานมีอกุบะมีมีอีกหลายหลายคนนนะแต่ก็เอ่ยชื่อเฉพาะสอง สองสองสามคนเอาต่อมากับอายที่เจ็ดมาสามับีฮะจะฟิลม ah. ิลละทิลอัคระมาสามนญบีฮะจะฟิลมิลละทิลอัคระอินฮะดะอิลลัคิละกะ มาสัมี์งาน بهذا ในมิลละติอลอาคราอินฮะดาอิลลัคิลาอัคลฮัมดุลิลลาห์นี่เรื่องที่สองนะจิตพระเจ้าไหลองค์เนี่ยได้กำลังใจมาจากไหนในอัยยานิสอนยึดพระเจ้าเราน่ถูกถูกถูกถูกรืผิดผิด แต่กำลังใจได้จากญาณนี้ดูสิได้มาอย่างไงมาสามีอนานี่พวกหัวหน้าหัวหน้าใช่ไหมเจ้าพ่อที่แอนตี้อิสลามดิ่ดานาบี ม, ม, มุ hammad เนี่ยพูดว่าไงนะมาสามีอนาเราไม่เคยได้ยินคําสอนที่ ม, มุ hammad สอนเนี่ยฉันไม่เคยได้ยินมาก่อนอถ้าจะเอามาเปรียบเทียบคนที่นําสุนน่าไปสอนเนี่ยชาวบ้านจะพูดว่าฉันไม่เคยได้ยินมาก่อน อย่างนิสุจาบ้านเนี่ยถึงยังวันนี้ใช่ไหมชาวบ้านทำอะไรนิสุจาบ้านทําขนมใช่ไหมแต่ดีดีเพื่อเข้าใจง่ายๆนะทําขนมแล้วก็มาอ่านนน่นอ่านอ่านยาซีนสามต้นต้นที่หนึ่งขอให้เป็นอย่างงี้ต้นที่สองเป็นอย่างงี้ต้นที่สามเป็นอย่างงี้อัดดิเกมหมดเลยไม่ใชม่ใมาจากไม่ใช่มาจากจากรนบีพอมีคนมาพูดว่าทําตามนี้สิ ให้ถือบวชตั้งเวลากลางวันกลางคืนก่อนหลกขึ้นนมาตะหัดยุทอ่านกุราซิกรุลอบบริจาคธรรมดามาสมอยนะเหมือนกันไหมเราไม่เคยได้ยินเลยภาษาที่เองพูดเนี่ยทั้งยู่ในหันทิบุคอรีเต็มไปหมดนะถ้าเปิดก็เจอแต่ว่าไม่อ่านหนังสือกันไม่เรียนหนังสืออยู่เฉยๆอย่างนี้ละจะอยู่แบบวอกละเอาแตะนิดๆนะ เพอข้าใจง่ายๆมาสมิอน า, าบีฮะเราไม่เคยได้ยินเช่นนี้มาก่อนเองนำอารามสอนเนี่ยปูยยาตาญาฉันในคอนเทตเนี่ยมาก่อนไม่มีใครมาสอนเรื่องนี้เลยนะเองน่าอ้ามาสอนเนอันนี้เป็นต้นทางภูมิภาคเนี่ ย, ไไยเหนื่อยมาเกี่ยคอนเขตเนี่ยโอ้โหกว่าจะเปลี่ยนให้คนมาเข้าใจสุนทรนเนี่ยทึงทบบงประเพณีปฏิบัตินี่นะ แสดงว่าตัวปุ้ยแชมีนแกแคนมีสตางคคนก็เกงใจใช่ไหมแหละถัดจนๆเนี่ยนะถูกไล่ไปแล้วปะเนี่ยมาสมานาบิดาเราไม่เคยได้ยินเช่นนี้ฟิลมิลาติลอาคิรในลัทธิมิลาแปลว่าลัทธิหรือศาสนา อัลอฮคิรอสุดท้ายนี่เป็นภาษาของพวกเจ้าพ่อบอกคุยให้นบีฟังหรือคุยให้ชาวบ้านฟังบอกว่าศาสนาสุดท้ายนี่เอ่ยด้วยนะศาสนาสุดท้ายศาสนาคริสเต์อ่าศาสนาสุดท้ายผ่านนบีอะไรนบีไอซาอะเลฮิสลาไม่ยังดียังเอ่ยศาสนาสุดท้ายนะ่ะ เนื้อศาสนาสุดท้ายที่เราได้ยินวันนี้นะ่ะก็วันก่อนก็เหมือนกันพระเจ้ามีกี่องค์สามใช่ไหมหนึ่งมีอัลลอฮ์สมบบิมารยมามสาหมีออซานี่เป็นครอบครัวพวกอาหรับมุชริกในนครมาดีนะใ น, นครมักกะน์ก็พูดว่าฉันได้ยินศาสนาสุดท้ายเนี่ยเขาไมา่ได้สอนพระเจ้าองค์เดียวนะ เขาสอนว่ามีพระเจ้ากี่องค์สามและมุฮัมมัดเอารามสอนเห็นยังเข้าใจง่ายใช่ไหมนี่รอนเ ล, เล่าเลยศาสนาคริสเตียนนะแต่ที่จริงในะบีอินซาสว่พระเจ้ากี่องค์องค์เดียวคืออธิบายอย่างนี้นี่ผมผมฟังจากอะไรอะด็อเตอร์ลกคิสเนกนะ่ะถ้าไปถามไปเปิดคัมภีร์ตารอในอินจีนี่จะเจอ ว, ว่าพระเจ้ามีองค์เดียว แต่ไม่มีใครอายหรอกตอนเวลาจะไปถามศาสนาก็ไปถามบาทหลวงในโบสพวกบาทหลวงในโบสนี่นะอธิบายเรื่องพระเจ้าเป็นสามองค์หมดเลยยกเว้นในคำภีร์อินจินเท่านั้นที่พูดว่าอลัลลอฮ์มีองค์เดียวนบีอิสาเป็นศาสนาทูตของอลัลลอฮ์เท่านั้นตอนเวลาคนส่วนใหญ่ในชาว บ, บ้านส่วนใหญ่ทั่วโลกนี่นะก็จะไปหาบาทหลวงใช่ไหมไปที่ไหนไปที่โบส์ ถามว่าพระเจ้ามีกี่องค์สามอเรเชื่อค่ะก็สุญญาก็เชื่อเชื่อบาหลวงแล้วตัวครูเราตัวครูเรานี่แล้วตามสู่เราเนี่ยตัอิห ม, ม่มามัอิหม่ามเอาอิหม่ามมาแล้วกันไอ้ น, นั่ น, นมีเปล่มีเราทากันมาตั้งร้อยปีแล้วล่ะอั น, นพวกนี้เอารามสอนอย่างนี้เป็นตัวนี่คล้ายๆกันใช่ไหมยังไงมาซาเมอานาบิฮเราไม่เคยได้ยินเช่นนี้ในรัที่คัง ล่าสุดนะที่กร่าว่าเขาอ้างอะไรนะอ้างาศาสนาคริสควกบาทหลวงอธิบายว่าพระเจ้ามีสามองค์ไม่ใช่องค์เดียวแต่ในคำพีเตารอินยีนอธิบายองค์เดียวไปถามบาทหลวงมีสามใช่ไหม สุนานาบีให้ทำแบบนี้ไปถามตัวอิหมามตามสุราอาทอไลต้องอย่างนี้ไม่เหมือนนบีจะเยอะแยะไปหมดเราก็นั่งฟังอยู่เหตุการณ์มาเจอกุณอ่านต้องระวังเลยนะต่อมาอินฮะลนี่ไม่ใช่อื่นใดนี่เขาพูดน ะ, พ ว, ะนะ พ, วพวกอะไรนะพวกพวกอะไรนะผู้จะพเนี่ยที่แอนตี้นบีเนี่ยนี่ไม่ใช่อื่นใดอิลลัอิฆติลา นำเอาเรื่องเท็จขึ้นมาเท่านั้นเองนี่ด่าใกล้ด่านบีมุฮัมมัดที่มุัมมัีเอามนำเอามาสอนะเรื่องโกโหกทั้งหมดมตัวลงว่าภาษาที่ออกมาจากปากพวกคุณหลักผู้ใหญ่เนี่ยเอาเราพอใจไหมไม่พอใจเล่าให้เล่านะาเียกุรอาว่าเขาด่ายอย่างนี้เนี่ยแล้วนะนอกจากปั้นเรื่องเท็จขึ้นมาอิคลาดแปล ว, ว่าปั้นเรื่องโกหกขึ้นมาเท่านั้นเอง ไม่ใช่มาจากอัลลอฮ์รองนี้เป็นตัวเข้าใจนะต่อมาครับอายาที่แปออูซิลอาไลฮิซิครุมิมไบนินาบาลฮุมฟีชักกิมิลซิครีบาลลามมายาดูคูอาบ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكِيمٍ مِنْ ذ ِ ك ْ ر ِ بَلْ لَمَّا ي َ ز ُ و ق ُ عَذَابٌ ในเรื่องที่สามที่สามเรื่องการแต่งตั้งนบีเนี่ย ไอที่พ่านมานะ้าดาเขานะเราเล่าไป เ, เองดาอย่างนี้อย่างงี้เราเก็บเขาเก็บก็พูดหมดเลยแล้มีชื่อด้วยอาอุอนจีลาได้แปลว่าอะไรนะได้มีข้ออันวิคราะแบบวิเราะห์ว่าข้อตักเตือนกุณอ่านที่ข้อตักเตือนใช่ไหมต้องการจะว่ากุรานเนี่ยผ่านใครกุรานผ่านใครอาความก่อนคุรานผ่านนบีมุฮัมมัดคนเดียวนะ ผ่านคนอื่นได้ไั้ยกูรานได้ไหมไม่ได้ไม่มีสิทธ์เลยผ่านนบีคนเดียวดาิบรีนลงมหาไกรมหานบีคนเดียวมหาคนอื่นไม่มีครับอูนซีลาอาไลฮิซิกรูมิมใบนีนะนี่คนหัวหน้าเจ้าพ่อในนครม ก, กาเนี่ยนะพูดว่างไงนะอาซิกรูแปลว่าได้มีข้อตักเตือน อุนรีลถูกประทานลงมาอะลัยฮิแก่มุฮัม m a ทีนี้นบีมุ h a m m เนี่ยได้รับคุรานมาเนี่ยเขานึกนะนึกว่ามุ h a m m เนี่ยมาจากไหนเนี่ยเขารู้ตระกูลเขารู้อะไรนะรู้กําพืชนะนะรู้ประวัติก็คนในบ้านเดียวกันหมู่บ้านในการรู้มุ h a m m เป็นคนยังไงพ่อเชื่ออะไรอับดุลลอ มะชื่ออามีนาะใครเสียกรอนอัมดูลลอเสียก่อนพ่อลูกนบีอยู่ในคันมารดาจําแม่นะแล้วอัมดูลลอตายแล้วมะมันมะก็เสียตอนนอายุได้นบีได้หกขวบแล้วก็ลูกหลานใครรู้หมดแล้วก็ที่นที่สําคัญคือเป็ น, เ ป, นเป็นกัมพาร์ในยุคที่นบีถูกแต่งตั้งเนี่ยมาจากเด็กกัมพาร์กัมพา้านี่นะคนรวยๆในยุคนั้นมีอย่าง ในหมู่บ้านนมีไดมีมีครับอบูตอลิบใครนบูญญาฮัลหลายคนรวยรยหมดเลยนะถ้าเขมองกับมูฮัมหมัดกับคนรวยรวยนี่คนชาบ้านจะเอาไหนเอาคนรวยหมดทีนี้พอมองนบีบบัดได้รับคํพิพากษาก็เลยพูดภาษานี้มาอูนซีลาไลฮิซิครูมินไบนี่นะได้มีข้อตักเตือน ถูกประทานแก่เขาแก่มูฮัมหมัดซึ่งเป็นลูกกัาพารานะแทนที่จะประทานให้กับใบานานาพวกเราไม่ได้หรือเอาคุณอ่านของอัลลอ์ลงมาประทานให้กับมูฮัมหมัดซึ่งเป็นกัาพรราแทนที่จะให้กับพูเราเป็นเจ้าพ่ออยู่แล้วรวยอยู่แล้วมีชื่อเสียงอยู่แล้วเนี่ยทำไมไม่เลือกทรง ให้กับพวกเราไปเลือกคนจนทำไมเป็นเด็กกำพร้าทำไมพ่อตายไม่ได้เห็นหน้าพ่อด้วยและเลือกคนประเภทนี้มาเป็นนบีว่ารับกุรอานมาจากชันฟาเองโกโกแล้วมันฝืนความรู้สึกของชาวบ้านด้วยนี่อิสลามนงครับอิสลามไมี่ฝืนความรู้สึกของชาวบ้านทั้งหมดนะถ้าเราอยู่เอาอิสลามเพียวๆในไปนองครับอลัลลอฮ์ถูกแตดถูกตอตาน ของเพชรเนี่ยเรากว่าจะนมาศเนี่ยนี่ผมได้ผมเองเนี่ยนมาศอีกการแจ้งทุกด่าเท่าไหรเนี่ยผมนั่งรอบบี้ยรัรบเบี้ผมปรึกษาพ่อก็ยอ้อนนมาศนมาศ ร, รออีกปีได้มาลราคุยก่อนเขาไม่ยอมกันนะ่ะเพราะว่าปูยา่ย่าตายายคนนมาศในสุรามาตลอดเอ็นเอาอะไรมาสอนเนี่ย ทุกเรื่องนะอิสลามที่ผ่านอิสลามที่ผ่านนาบีเนี่ยเอาของนบีแท้ๆมาสอนเนี่ยจะเริ่มกระเบาขึ้นเพราะเราช่วยกันช่วยกันทำต่อมาครับอุนซิ ล, าล่าอาไลฮิซิกรูมิมบไบนีนะได้มีข้อตักเตือนถูกประทานแก่เขาคือมุฮัมมัดเนี่ยซึ่งเป็นกํมพาร์น่ะแทนที่จะให้กับพวกเรากนนันหรือโอ้เป็นคาถามดีๆไหมโอ้โหเาเลือกน่ะนี่แสดงว่า ความคิดของมนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าจะเลือกคนเป็นผู้นำต้องหนึ่งมีอำนาจสองมีเงินสามมีพวกถึงจะเป็นผู้นำได้ก็นนายกเราเนี่ยอำนาจมีใช่มากทหารคุมหมดเลยจบเลยใช่ไหมะใครจะมาขวางแต่นี่ได้นึงนะเพื่อเข้าใจง่ายๆทันกรุณอานยานี้นะชายในวันนี้ได้ไมได้ แค่นี้ไม่ตัวที่เขาเรียกประชาธิปไตยปะชาธิไตยนะนันยังไม่ถึงอิสลามนะยังไม่ถึงสุนทรนาบีเลยนะคําว่าประชาธิปไตยยังไม่ถึงสุนทรนาบีแค่เจ็ดสิบแปดสิบหกหกห้าสิบเอ็นและประเทศไหนในโลกนี้เอะยกตัวอย่างประเทศในหนึ่งประเทศเลยนะข้างๆอินโดนีเซียจะออกมาเนะี่ะบรูไนอ่ากษัตริย์ประกาศต้องการจะใครที่ทําดีนาลงโทษ ประหารชีวิตทั้งโลกเป็นไงดา่าระชมด่าหมดเลยเห็นยังด่าหมดเลยอแล้วก็กษัตริย์พูดว่าฉั น, นยังไม่ได้ลงโทษใครเลยเพียงแต่เล่าของให้ฟังนะด่ากันทั่วโลกเลยต่อมาครับาอาอุณสีลาไดฮิริครุมิมบไบนินาแต่งตั้งนบีมุฮัมมัดมาชาวบ้านก็ด่ า, ดา ดาว่าไงไม่มีใครเลยหรือไปเลือกมูฮัมหมัดซึ่งเป็นเด็กกำพร้าจนๆจนคนหนึ่งภูลักภูยามีหน้า ม, ามีตาในสังคมทำไมไม่เลือกคนนั้นนี่ดาใครดาอัลลอฮ์เนี่ยอลัลลอน์เล่าภาษาห้ฟังบาลอันนี้เราตอบเลยนี่เราตอบแด้วนะบัลฮุมฟีชั ก, กิมมินซิครี บาลลัมยาลูกอาซาบาบาลหาใช่เช่นนั้นไม่จะกูแอนตี้แอนตี้แอนตี้ดาว่าทั้งไม่ไม่เอากุราน ล, ลงมาให้กัาเจ้าพงเจ้าพ่อแทนที่จะให้กับมุฮัมมัดซึ่เป็นเด็ดกกำพร้ายากจนครอบครัวยากจนเอามาให้ทำไมคำตอบพวกเขาลอนที่แอนตี้นะฟีชักกินไม่อยู่ในความสงสัย เรื่องสงสัยแค่นั้นเองว่าอัลลอฮ์จริงมามีจริงหรือเปล่ากูอ่านมาจากอัลลอฮ์จริงเปล่าม่อมมัดเป็นคนดีจริงเปล่าสงสัยเพราะฉะนั้นอะไรที่สงสัยในอิสลามห้ามนะพี่น้องนี่คนอยู่คนโทรศัพท์มาถามผมไม่ใช่โทรศัพท์นั่งคุยกันนี่แหละอาหารจีนซคนเนี่ยจะข้าไปกินได้หรือเปล่า ถ้าคุณสงสัยอย่ากินนะนี่มันชักคมีละถ้าสงสยัยนะอัลลอฮ์สั่งนบีสั่งนะจงขจัดการสงสัยให้หมดอย่าไปกินยอมหิวมันก็เดินออกมากินหน้าหน้าตัวนี้หน้าคองเท็ทท <c oughs> ่านน้่นที่เขาไม่รับอิสลามเพราะสงสัยแต่สงสัยนม่ดีไหมไม่ดี ในคัมภีร์ลกุรอานนะลรอยบาอัลิฟลามีมซาลิกันกิตาบุละรอยบาฟีฮีนี่ อ, อ, อ, นอัลลอฮ์เล่าอายะแรกเลยนะคัมภีร์เล่มนี้ข้อสงสัยมีไหมไม่มีแต่มีสงสัยทำไม ล, ลีนมิริกรีริกรีเนี่เป็นเป็นว่าข้อตักเตือนของฉันเขาสงสัยในข้อตักเตือนของฉัน แล้วสงสัยนี่มันกี่วันกี่ปีมันพาตายเลยนะในเป็นอักขีดา้านในความเชื่อเลยนะสงสัยอยู่กับทางตายนั่นแหละยืนหยัดอยู่กับทางตายนั่นแหละทีนี้พอตายเป็นไงครับบัลลามายะรูปุอาจาบพวกเขาชาวมักกะอยู่ในการสงสัยคลางแคลงของในกุนอ่านของฉันใช่แต่เท่านั้น พวกเขายังไม่ได้ลิ้มการลงโทษคาถ้าเขายังไม่ลิ้มการลงโทษเขายังสงสัยอยู่นั่นแหละพอลงโทษเมื่อไรจะทิ้งการสงสัยทันทีอธิบายยังไงคนที่สงสัยเรื่องอุปราชเรื่องาศาสนาเนี่ยผิดแล้วไอ้ความสงสัยนี่มันขจัดพอพอความตายมา พอความตายมาถึงเขาว่ารู้ทันทีอายอากูภพลาดไปแล้วนะเนี่ยแล้วเล่านะเองยังไม่ได้ลิมการลงโทษเองก็สงสัยอยู่นั่นแหละเลิกสงสัยตอนได้เห็นการลงโทษของอลัลละ์แล้วล ง, ลงโทษจริงๆกับอันไม่เชื่อลงตายดูแค่แบกไปกูโบก่อนตายอะไรมาเอาวิญ ญ, ญาเรา มาลายกาเราได้ยินคำว่ามาลายกามาลายกาไม่เคยเห็นสักทีนึงเราไม่เห็นน่ะแต่คตรจะตายมาลายกามาเห็นเลยอัลลอฮฺอัลลอฮนี่มาลายกาเนีจริงๆจะมาถอดวิญญาณจริงๆเลยเนี่ยแลมาในรูปร่างน่ะถ้าเราเป็นมุสลิมมาในรูปร่างที่สะอาดหอมสวยมีกลิ่นหอมมีผ้ากระฟองกระฟันมาจากสวนสวนรรค์เรียบร้อยเลย ถ้าเราเป็นคนที่แอนตี้อิสลามสงสัยในในกิรอาในสุนนะนบีในนู่นในสงสัยเยอะะรบมาในรูปติดตรงกันข้ามาสกโโปรกน่ะแล้วพอไปไปกูโบไปเจอมัลเกาเอ็นะกูโบใช่สองชื่อใช่ไหมนากกตมุงกาถามกี่เรื่องถามเรื่งคุณสงสัยหมดเลยอ่ะอัลลอ์มีกี่องค์เคยกล่าวว่าตั้งพันองค์ร้อยองค์อ่ะแล้วไปเจอกูโบก็ถามกี่องค์ อ๋อเอ้ามาจากมุมอมาตย์ไหมก็แอนตี้มุมอมาตยมาตลอดไงมุมอมาตยเป็นเด็กกระพุมกระพาอ้าวไปเจดตายจริงตอบไม่ได้อะแล้วกูอานเองอ่ะอ่านหรือเปล่าไม่เคยอ่านเลยถามว่าถูกถูกการลงโทษไหมนี่แหละการลงโทษในกูโบเพิ่งจะหายสมสัยหยังครับแสดงมนุษย์ที่ดื้อไม่มีใครดื้อขึ้นการมนุษย์ไม่มีแล้วในตับสิกอธิบายดีนะแพ้แก้อ้วกคว้าไม่ดื้อเท่าไหร่ แต่คนนี่มันดื้อจริงๆอัอา่าแหละคนนี่คนจะไม่ดื้อได้เพราะใจสำคัญที่สุดถ้ายอมรับในอลัอลลอฮ์องเดีย ว, วจบเลยเลยนะอืมเปลี่ยนแปลงตัวเองก็ง่ายครับตัวลวงว่าเอนงี้ชักกุลนี่นะอุลามาบางท่านแปลว่าเพราะอิจฉาเออ เพราะอิชาอิสลามอิชชาอับดุมฮัมหมัดคนยิฮูดีในอิจชาอิสลามเพราะคนยิฮูดีเนี่ยเขารออยู่ว่าเมื่อไหรน่นบีเขารู้นะว่านาบีคนสุดท้ายจะมาชื่อมูฮัมมัดในคัมภีร์มีหมดแล้วแต่เวลาเขารอเมื่อไหร่จะมาเมื่อไหร่จะมาอยู่ในกลุ่มพวกยิฮูดีแต่เวลาเราส่งมูฮัมมัดมาเนี่ยด้านมาส่งที่นครมักกะรับไม่ได้รับได้ไหม ไม่ได้วันนี้ยูดีกับคริสเตียนถึงแอนตี้อิสลามแล้วก็แอนตี้เนี่ยจะหมดเมื่อไรนู่น ล, ละนองในกูโบ่ทุกจะสํานึกตัวจะเลิกแอนตี้หน้าที่ของพวกเรานะต้องสอนอิสลามต้องนําเอามารยาของนบีไปไปชดไปไปสอนจริงๆเรื่องใหญ่มากนะเรื่องเนี่ยเรื่องนั้นเรื่องนั้ น, เ ร, นเรื่องอัคดีด้านเ ร, เรื่องเรื่องใหญ่อัลลอฮฺอักบัดลาอูซีบิลละ ทีนี้อ่ะต่อมาพอรล้วสินะคือในนครมักกาเนี่ยมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นเจ้าพ่อมีที่เมืองตออิฟก็มีในคุร์านอายะอื่นอธิบายอย่างนี้เล่าลานุสละฮะกัลกุรานอะลารอจุลินมินลกอิยาตไนี่อารมถ้าหากกุรานนี่ได้ถูกประทานลงมานะให้กับผู้ชายคนหนึ่ง อยู่ในหัวเมืองสาคัญสาคัญสองเมืองมีบิคคนดังอยู่แล้วมีอยู่แล้วในอดีตที่มักกะกับที่เมืองตออิฟถ้ากุรอานประทานลงมาให้กับคนเจ้าพ่อเมืองตออิฟหรือตะคอนมักกะนี่นะคนจะยอมรับหมดเลยตอนนี้ไปลงให้กับมุฮัมมัดพ่อตายแม่ก็เสียชีวิตเป็นคนจนด้วยรับไม่ได้แล้วนักการเมืองวันนี้ก็เหมือนกันถ้าไม่รวย เองเป็นสมัครสอสอไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนี่มันคุมม้มหมดเลยนะอธิบายให้ใหดีเถอะเราไม่แตะใครนะนี่คุณอ่านคือคำคำคำตัรศินในชีวิตเราเอาต่อมากับอายาที่เก้าอัลมอินเดฮุมขุซาอินุรห์มะทิรับบิก อัมอินดะห์มข้าวเจ้าอินรัมมัติรับบิคัล عزيزالو ห اب อัมอินดะห์มข้า ا เาอินรัมมัติรับบิคัล عزيزالو ห اب อัลฮัมดุล illah นี่ต้องการจะอธิบายว่าตแหน่งนบีเนี่ย ตำแหน่งนบีเนี่ยมาจากครั้งอัลลอฮ์เข้าใจนะที่อนะัลลอ์น่ะมีครั้งนะมีมือมีเท้ามีสมองมีร่างกายมีริสปีทรัพสบัติเต็มเป็นบทคัคภัร์อัลลอฮ์อัลลอฮ์ตั้งชื่อว่าข้าราอินุรรฮมมัติคลังแห่งความเม ah. ตตาดังนั้ใครที่อยู่บนโลกดุนยาไปนี่นะ อลัลลอฮ์สร้างมานะอลัลลอฮ์ให้ดุยานี่นะกับคนที่อลัลลอฮ์รักและให้กับคนที่อลัลลอฮ์ไม่รักด้วยแต่ไม่ไม่ใช่ทรมานนะให้นะคนที่เอาฉันและคนที่ไม่เอาฉันแต่อลัลลอฮ์จะให้ศาสนาจิพอยู่ในครังอลัลลอฮ์นั่นไหมนะจะให้กับคนที่อลัลลอฮ์รักเท่านั้น อันพวกเราเนี่ยเราเลือกแล้วนะนี่ขนาดเลือกแล้วนะยังไปหาตัวตะเกียบเลยนะยังไปหาตัวระยองยังทำยังยังยังไปหาหมอดูเลยนะแต่แต่งงานลูกสาวนี่ทำไมไม่ดูแบบนบีล่ะนบีมีลูกสาวเปล่ามีไปหาหมอดูเป่านบีเปล่าเอาคนเล่าเรื่องลูกสาวนบีแต่งงานกับไซนาลี ไซนาลีจะเดินมาหานาบีพอเดินมานาบีถามมาึงก็จะให้รู้นะเดินมาเพื่อจะมาขอลูกสาวนั่นแหละมาเองมาคนเดียวมันจะพาคนหนึ่งคนสองคนสามมาไม่ได้พานะมาคนเดียวนบีถามว่าคุณต้องการที่จะมาขอลู้สาวฉันไหมบอกใช่ครับ <laughs> นบีถามตรงๆ ต, ต้องการที่จะมาขอลู้สาวฉันใช่ไหม นี่เป็นหน้าที่ของพ่อนะ่ะพอลูกสา ว, วโตแล้วอย่าไปนึกจะับสามีที่ไหนแต่งงานนะ่ะที่อิสลามนะ่ะไอ้ประเพทีปฏิบัติอีเรื่องนึงอนะ่ะเอาอิสลามก่อนเอาติฏิพานะบีนะศาสนาเลวข้าพผมนี่มหัศอะไรบ้างถามตรงตรงเลยมหัศอะไรบ้างแล้วมหัศบรรเลานี่มารู้ใครตั้งนะยอผมเล่าว่าจาสวัฒนคนตั้งร้อยี่สิบ กว่าจะเลิกร้อยยี่สิบโอนล้อถูกดาเท่าไหรอ่ะมหัตไม่ใช่ร้อยยี่สิบมีความสามารถเท่าไหรให้เท่านั้นถ้าไม่มีสอนคุรานให้กับผู้หญิงเป็นมหัสได้นี่นบีทำเป็นแบบว่าไม่เอาอ่ะไม่เอาไม่เอาตามนาบีโอเคยเคยเห็นหน้านาบีมาที่ไหนอ่ะก็อยู่ในคัมภีร์อยู่ในฮัดดิสทั้งหมดเรื่องเหล่านี้ต มันหาได้ความรู้มันเช็คได้เหล่านี้แหละไม่ใช่เรื่องใหม่ที่ไหนมันเรื่องเก่าอ่าไปรเรียกไปรเรียกมาเลยครับไปเชิญมาหกคนอ่ะอบับดุลบาคอุมาตอุสมานคาตซาไฟนิกาเลยมาาันจะงพิมการ ด, ด้วยใช่ไหมน่ะนี่ท่านนึกถึงเรื่องอย่างนี้พอเราพูดอย่างนี้ก็สมัยนู้นมันโง่อ่าพระองดา น, นาบอบดีใช่เปล่าอ่าดานอบดีท่าน ต้องนิ่งๆไงนบีทำเรื่องการนีก็เป็นเรื่องง่ายๆเพื่อไม่ให้คนต้องถามจีนะแล้ววันนี้พวกเราแต่งงานต้องผ่านโรงแรมใช่ไหมใช่ต้องชั้นหนึ่งด้วยนะต้องห้าดาวด้วยนะนี่งานที่ศูนย์กลางนี่ก็จอมันเีวนี่โรคโควิดมันเบาไปหน่อยแล้วเอาแต่แค่นี้พอ อามอินดะหุมข้อซาอินร ah um e in ักมาติรับบิกะลอมแปลว่าหรือว่าอินดะหุมพวกเขามีคอซาอินแปลว่าคลังรักมาความเมตตารอบบิกะของพระพูอภิบาลของของเจ้าหรือว่าคุณน่ะที่พวกเขาที่เจ้าพ yup> ่อท okay. ั้งหลายนั้น มีครั้งแห่งความเมตตาอยู่กับคุณใช่ไหมจินได้ไม่ยอมรับว่าอัลลอฮ์แต่งตั้งนบีประมัดมาให้เป็นนบีใช่ไหมมาจากคนยากจนครอบครัวยากจนกำพ้าด้วยพวกเองไม่รับเนี่ยเองมองว่าไอ้ความการแต่งตั้งให้เป็นนบีเนี่ยมาจากครั้งอัลลอฮ์เนี่ยคุณคุมเหร อ, อครั้งแห่งความเมตตาเนี่ยคุณคุมหรือ ถ้ามันจะไม่ไม่เชื่อฉันมันศรัทธาตัวฉันต้องการจะอธิบายบอกว่าถ้าหากพวกเหล่านี้นะคุมครังของอัลลอฮเมะไรนะมันก็จะเอาตำแหน่งมุฮัมมัดเดียมาให้กับคนที่เป็นเจ้าพ่อหมดเลยแบบนักการเมืองวันนี้แหละที่ชาวบ้านเนี่ยถูกแจกตังก็ได้แล้วไม่เห็นเหรอความความไรนะ <c oughs> ในคนโทรถามหาผจา้าー นี่ที่อะไรที่ที่นคนรภาคเรียนที่าดแพ้วันเลยใช่ไหมพาพลังเจ้าชนะเพื่ออธิบายะเนี่ยที่ชนะมาเนี่ยก็โทรมาแจ้งใต้ตามแจกแต่คราีพอเดี๋ยวมีมีคดีอีกใต้อีก <c oughs> อามัยนดาฮุมคอซาอินุรอฮ์มาติรอบบิกหรือว่าพวกเขา มีครังแห่งความเมตตาของบะพุอธปฏิบัติของท่านควบคุมอยู่กันนั่นหรืออรรถการอธิบายว่าคนเหล่านี้นะถ้ามีอํานาจเมื่อไรนามันจะลืมอรรถทันทีมีครั้งมีเงินมีทองนี่ยมันก็จะให้เป็นคนบางคนมันไม่ให้มันจะเลือกคนที่มันถูกอกถูกใจเท่านั่นแหละมันไม่ได้มองอะไรหรอกอย่างนี้เป็นต้น ท่านเราเองเราต้องนึกนะอันในทางที่ต้องนึกนอัลลอฮ์เนี่ยเลือกคนกับเราเลือกไม่เหมือนกันอ่ะอัลลอฮ์เนี่ยเลือกนบีเลือกที่ใจว่าใจคนนี้วันนั้นอ่ะสะอาดขนาดไหนอัลลอฮ์ไม่ได้เลือกคนหน้าตาหล่ออัลลอฮ์สร้างมาก็จริงอ่ะแต่ไม่เลือกหน้าตาหลอ่อไม่ได้เลือกรวยไม่ได้เลือกตระกูลแต่อัลลอฮ์เลือกที่หัวใจแล้วก็การปฏิบัติของเขาเนี่ยแต่แต่แต่ละขั้นตอนที bon ่ก็เดินก้าวเนี่ย เขาผูกพันกับอัลลอฮ์ไหมถ้าใครที่ผูกพันกับอัลลอฮ์ทุกขยกับทุกก้าวอัลลอฮ์จะเลือกคุณนี้แหละเป็นให้คุณให้ดูแลงานศาสนาของอัลลอฮ์สำคัญมากนะอามอินยเดโฮมคอเา อ, อินุรหมติรบบิกหรือว่าพวกเขามีคลังเห็นความเมตตาของระผู้อาภิบาลของของเจ้าสิฟงปรับอัลลอฮ์ อัลอาซิลวะฮ์ aha, ผู้มีอำนาจอัลวะฮ์ aha, ผู้ทรงประทานให้อย่างเหลือล้นอย่างเหลือหลายตัวละคอัลลอฮ์เนี่ไม่ให้มนุษย์รวยกเกินไปหรอกถ้าให้รวยเกินไปแล้วมันจะเป็นแบบใครแบบกอะไรก่อหลุนีนี่ยเลาให้เห็นนะอ้าวรวยให้มีอำนาจแบบฟาโรห์จะเป็นไงอธิบายอย่างนี้พี่น้อง ใครที่อยู่บนโลกดุรยา์ใบนี้ไม่เอาอัลลอฮ์อัลลอ์ทนได้แต่ถ้าเองไปกดขี่ประชาชนเบาของฉันเมื่อไร่ถือไม่ราาจะไม่ใช่มุสลิมก็เถอะไปกดขี่ประชาชนนี่นะฉันเอาเรื่องยิ่งไปกดขี่มุสลิมนะอลัลลอยิ่งแก่แค่เลยอายุกตัวอย่างพม่าเนี่ยเหมืองท่านนั่นแหละ ฆ่าโรฮิงญาตายไปเท่าไหร่แล้ววันนี้เอาล็อให้เห็นแล้วเห็นไหมไปฆ่าคนดีอ่ะคนนำมังคนถือีลอดคนอ่านคนอ่านคนดีคนล็นนอกแต่เขาจนหน่อยเดียวอะ่ะไม่เค้นฆ่ากขแล้ววันนี้เอาล็อกให้ให้เห็นหเห็นอย่างครับมันต้องใช่มัต้องนึก เหตุการณ์มันเกิดขึ้นนี่เพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรแั้นนบีพูดแล้วก็อัลลอฮ์พูดเองนะไม่เอาฉันไม่สู้อยู่ต่อฉันด่าฉันทุกวันทุกคืนไปหาโมดุงมดูนีปกันด่าอัลลอฮ์ทั้งหมดนั่นแหละฉันทนได้แต่ถ้าหากว่าคนที่มีอํานาจไปกดขี่ประชาชนเมื่อไรเจอชาหรือไวตรงนั้นเองจากนั้นตามที่นบีมูซาสุลตินมูซามาสอนฟาโร่เนี่ย ไม่ให้ฆ่าคนมากกว่านั้นเนี่ยถ้าฟาโรห์ยอมรับนิดเดียวได้ไปสวรรค์เลยนะแต่ที้มึงจะใหญ่กูได้ไงกูเลี้ยงมึงมาใช่ไหมให้อิสลามไม่มีขยายมันต้องอลัลลอฮ์ใหญ่สุดใช่ไหล่ะแล้วเป็นไงฟาโรห์ตาแบบง่ามตื่น้วยแล้วกอรูนเป็นไงครับรวยมหามหารวยแต่ตะกร บ, บุดเยอะเย็นก็ร้องให้ตายไปให้แพนดิปสูบมันต้องได้ขอคิดนะ วันนี้คนรวยๆทั้งหลายถ้าไม่ดูแลงานศาสนาอลอฮฺข้อพวกเอ็งไม่มีบรารักัดนะไม่มีบรารักัดครับอายุทยายอย่างเงี้ยมาฟังศาสนาเนฟังในฟังตัปเซตเนี่ยกับนอนอยู่ที่บ้านความรู้ได้เหมือนกันไหมนั่งในมัสยิดมาเลก็ห้อมล้อมบรารักัดมีไหมโอเห็น ไ, ไหมฉะนั้นมาฟังศาสนานั่งห้อมล้อมกัน นั่งชิดกันแล้วก็ตั้งองค์ตั้งใจฟังมาเลายค่ะหัวฟัดอาเลยหิมุลมาเลายค่ ะ, ะมาเลยค่ะมาห้องหมีบราระกัดในชีวิตครับความรู้ที่ได้เนี่ยมีบราระกัดนะกับความรู้ที่เราฟัง ท, ทีวีฟังมันก็ได้ความรู้แต่บราระกัดไม่มีครับน้ามาคนเดียวที่บ้านน้มาได้ไม่ได้ก็มน้ำมาที่สุราบราระกัดตอนได้นไหมตังกันนะ ท่านนมาเป็นยามาหนะา่ะยี่สบเจ็ดเท่าท่านนมาที่บ้านได้เท่าเดียวในใครสอนนบีสอนนี่เตือนให้คิดใครที่ทําผิดตบบาตรตัวได้นะนี่เป็นเตือนนังกินเป็นตืนนะครับเอาต่อมาครับตัวหว่าการคลางของอัลลอฮ์เนี่ยนะใครที่มีเงินเยอะๆนี่นะยิ่งบริจาคยิ่งดีนี่อัลลอฮ์พูดนะ ละความแคิดมนุษย์ตัตวมันข้ามใจมากยิ่งบริจาค ก, กูก็แย่ที่ีกูก็จนลงจนลงใช่ไหมไม่ใช่เอามาดูเรื่องบริจาคได้เลนะจะเป็นอย่างนี้คนที่บริจาคเอ า, เอ า, เ, อาเอาชีวิตบนบนบนบ น, บนดุลยาก่อนนะบนดุลยานี่อลัลลอฮฺให้ห้าอย่างคนที่อลัลลอฮฺให้รักมาให้ความเมตตาให้มีเงินมีทองมีชื่อเสียงมีตําแหน่งนะถ้าบริจาคดูแลคนนี่นะอลัลลอฮฺให้ห้าอย่างข้อที่หนึง ตาปฏิรุลมาลทำให้ทรัพย์สินของคุณที่เหลืออยู่สะอาดข้อที่สองตาปฏิรุลบะดันร่างกายของคุณสะอาดบริสุทธิ์ไม่มีการลงโทษแม้แต่เจ็บนู้นเจ็บนี้ก็มีเหมือนกันเนะ่ยแล้วก็หายไวด้วยปวดหัวมีไหมมีนบีก็เคยป่วยตั้งหเดือนเอมากแต่หายไหมหายคิวก็สัตว์หนาเยอะๆอยูยการบริจาคเยอะๆเนี่ยเอาลอให้หายหมดแหละนะ ข้อที่สามเจ็บไข้ใดป่วยที่จะมาหาเราเนี่ยจะถูกถูกไรนะถูกถูกปัดอถูกปัดไปข้อที่สี่เวลาเราให้เงินคนหรือก็ให้ความรู้กับคนเนี่ยคนที่ได้ความรู้ได้เงินไปน เ, น เ, น เ, เนี่ยเขาเาดีจเขาดีใจมาจากอัลลอ์เนี่ยเพราะเราใช่ไหมเราเอาเงินให้เขาพันหนึ่งห้ารอบาทสองร้อยบาทดูแลเขาครัวเขา เขาดีใจพระอินทคอลุสูรูทาให้มุสลิมมีความดีอบดีใจจึงมีรางวัลตอบแทนจท่ออัลลอฮข้อที่4ข้อที่ห ข, ข้อสุดท้ายกับเงินของท่านมีบรารักัตเห็นยังนี่นบีสอนพี่น้องตัวรองว่ามีเงินอย่าขี้เหนียวพี่น้องครับให้บริจาค ก, กับค น, นอัลลอฮให้หาอย่างหนึ่งให้ร่างกายของคุณนี่สะอาดสอง ให้ร่างให้เงินของคุณสะอาดสองร่างกายของคุณสะอาดเจ็บไข้ได้ป่วยมีไม่มีแต่หายไวข้อที่สามโรคภัยไข้เจ็บมาเปมนกันแต่ไม่ถึงอาลเราจะเบี่ยงเบี่ยงเบี่ยงเบนบัลลาออกไปข้อที่สีอลาวเรจะทำให้คนที่เราบริจาคไปเขามีความสดชื่นและเขาดีใจเขาขอบคุเราอีกนะข้อที่ห้าเนี่ยบรกิการในทรัพย์สินของคุณ อัลลอฮ์มีบรรยากาศจะใช้อะไรตร้อตากมีบรรยากาศหมดเลยนี่ความประเสริฐของคนที่ของราะมะของอัลลอฮ์ต่อมาข้ออายะสุดท้ายอัมเลห์มุลกุสส์มาวะติว์ลอาร์ิวะมาเบย์นห์หมาฟัลย์ตกูฟิลอสบับอัมเลห์มุลกุสสามาวะติว์และอาร์ิวะมาเบยนห์หมา ฟันยาโรตักฟิลอาสบะจบประโยคท้ายนะครับอัมลาห์หรือว่าพวกเขาเหล่านัา้นมุลกุสลมาวาัดแปลว่าปริมณฑลแห่งชั้นฟ้าวัดอรดีและแผ่นดินว่ามาไปนั่งหัว และสิ่งที่อยู่ในระหว่างชั้นฟ้าและแผ่นดินนี่เป็นของพวกพวกเขาหรือรอถามถึงที่เหนียวแล้วเกินพวกคุณนี่ให้รากมาอะไรมาก็ตามกไม่ยอมขยับไม่ยอมช่วยใครขณาฉันแต่งตั้งมอมหมดัดเป็นคนกำพาคุณยังไม่ยอมรับเลยเข้าใจนะเอาต่อมาครับ f a ยยาตักวิลอาสบับบัดังนั้นอิแปลว่าจงอะไรนะจงขึ้นไปข้างบนฟิ l a s สบ b จงหาทางขึ้นไปข้างบนอะไรนะไปคุมขางของอัลลอฮอยากให้อัลลอฮฺทงมาไปตัดไปตัดอะไรนะ ไปตัดรอมาเลยหาหาทางขึ้นก่อนเนี่ยเราเล่ากัคุณไปหาทางขึ้นข้างบนก่อนอียูดีมันก็ถามแล้วไนงะหาทางขึ้นข้างบนชั้นฟ้าใย่ะมากเอาอะไรนะ Apollo. อพอลโลขึ้นมาคนแรกที่ทำฟาโร่ให้กอรูนสร้างอะไรนะสะรป้อมป้อมอ่าสูงมากเลย และฟาโรสอนวิธีทำอิดด้วยนะเอาดินมาเผาจะกลายเป็นอิดพอสร้างเสร็จแล้วไปรายงานให้ฟาโร่ันครับป้อมเสร็จแล้วครับก็ขึ้นบางบนเลยอะ่ะพอลงมาหืมมูซ่าสอนมีอลัลลอ์อยู่บนสูงสุดของโลกแล้ววันนั้นยังไม่เจออลัอลลอ์เลยเดี๋ยอลัลลอก็ล่านกนกาฟั ฟันหรต ก, กูฟิลอาส บ, บดังนั้นจงให้พวกเขานั้นหาทางขึ้นไปข้างบนเถอะจะใช้จะรวดหรือจะใช้อะไรก็เชิญตามสบายเลอเอ็งไม่พบอลัลลอ์หรอกถ้าเอ็งยังทรยศตัวฉันอยู่วันนี้นะพูดกันการเมืองด้วยนะพูดเรื่องอำนาจยาฮูดีเพราะวันนั้นน่ะที่ยิ่งใหญ่กับฟาโรห์ใหญ่สุดใช่ไหมเราวันนี้ใครใหญ่สุดนี่จีนถ้าจะมาเลยนะ ถ้าจีนตะกับบทดมาไราเองก็เจอแบบอเมริกาเหมือนกันไปลองกลับตัวลงว่ามุมินปลอดภยัยครับอัลลอ์จะช่วยอัลลอ์จะช่วยนบีแล้วก็ละอักริบันนะอานาวรุสูลีอัลลอ์จะฉันจะชนะถึงมนุษย์จะรวมตัวกันไม่เอาฉันฉันชนะ และเราซูลของฉันทั้งหมดจะช น, นะและผู้ศรัทธาของอัลลอฮ์จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในโลกแบ น, นี้แต่จริงัหมจริง้ะอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยมุสลิมจะเป็นอันดับดีนะที่อะไรนะพอลกอิสลามที่ยื่นสภาไม่ผ่านนะอัลฮัมดูลิเลและไอเพไอเพชรทองนี่ออกหมายหมายอะไรหมายหมายสารนะ ที่ไปเล่งงานวันนอไว้จะมาคนนัดศาลไปเคลียนะจะไม่ยอมไปหนีศาลสุภาอัลลอฮฺาบิกไปหามด้ลยวิสนาอิลลาอิลลาอันตะอัสตักฟิรกวะตูบุลอสลลัลลอฮมุัมมดมุฮัมมัดอาลีอุบอัมาน